ทَูิทัศมาَรَมจะงาَตَอเราที่สั ف ั ا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لكَ بيتُ من زُخرُفٍ أو ت ر ق َ ى أو ت ر ق َ ى في السمايِّ و ل َ نُ من لرويك حتى حتى ُ ن ز ل علينا كتاب نقرأه. อัลสุบฮาน ن ا บบ س ฮ์ฉันจะไม่เป็นคนอื่ ا มันเงินน่าَสียอยู่มินุอิรจาอุมุ ا أ َดْอَ ا ل ُ و ا أ َ ب َ ع ูอَ اللَّهُ ลอฮฺอับดุลบ س ُร ل ً ا إِلَّا أ َْ้ قَالُوا อับอาส ل ลลัลลฮุบะชาร์รราะซูละบิสมิลลาฮิَ rahman у р rahim อَนฺอฺลฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ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 ا ل l a h u m m a anta Rabbi la i l خلاك تني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستحق أ ب ؤ ل ك ب ن ي م ت ك ع ل ي و أ ب و بذنبي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إلا أنت a ل l um a h a u ن m a inni a'uzubika min s h a a ม s a l a m u a l a i k u m w ะ r a h m พี่น้องที่ร่วมน้ำมาดสุบฮ์ทุกทุกท่านกับประพมตุลิละก่อนอื่นเราขอขอบคุณขอชูกรต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ن และุทาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเนี่ยนอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมา ชีวิตบนดุนยานี้สั้นมากอายุก็ไม่ยาวเจ็ดสิบปีก็ก็ออกจากโลกดุญญนยาใบนี้โลกดุนยาใบนี้นะ่ะอยู่เพื่อไปนะใครที่มาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะ่ะอยู่เพื่อไปเพื่อออกจากโลกดุญญนยาใบนี้ส่วนโลกอาเคโรเนี่ยไปเพื่อไปอยู่ โลกอาคิริลเนี่ยเพื่อจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่แบบถาวรที่ท่านอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ตัวแทนของโลกดุนยาเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาอัลลอฮ์พูดในคัมภีรกุรานนะอ ด, ดุนยาโลกดุนยาโลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ยมีอะไรบ้างต้องนึกหนึ่งเงิน 2. ชื่อเสียงสามเกียรติยศสี่ตำแหน่งเงินเนี่หมายถึงทรัพย์สม บ, บัติทั้งหมดแพะแกะวัวควายบ้านช่องที่อลัลลอฮ์ให้เราอยู่นี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาแตวนี้บางคนเนี่ยได้โลกดุนยามาเยอะแต่ว่าอาคิราะไม่ได้นี่านะคาทุนอย่าง อย่างมากมาเลยได้แต่ดุนยาแต่อาร์เคโรไม่ได้พอตายเนี่ยลําบากเพราะไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมเพื่อโลกอารา์เคโรเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งดุนยาแล้วก็มีทั้งอารา์เคโรแต่ถ้ามีอาคิเคโรามากกว่าดุนยาเนี่ยดีไหมดี แต่ถ้าหาว่าใครมีดุนยามากกว่าอาคิร์ลเนี่ยลบากอยู่สรุปไปเลยนะใครที่มีโลกดุนยาเยอะๆมากกว่าโลกอาคิร์เขาลาบากลาบากหลังตายลาบากมากเลยแต่ใครที่มีของของโลกอาคิร์มากกว่าของบนดุนยาเขาคนนั้นเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิต เรอ่านมีหลายอยะเวลาเปิดไปเราจะเจออัลลอฮ์เตือนฉะนั้นคนที like <OR> ่มีเงินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีตําแหน่งอยู่บนโลกดุนยาเบนี้ถ้าเอาสรายการนี้ไปรับใช้ศาสนาอันดีๆแต่วันนี้คนที่มีเงินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีตําแหน่งเอาไปรับใช้ดุนยามันจะรับใช้อัคราไม่จะรับใช้อัลลอฮ์ ฉะนั้นต้องคิดเยอะๆอายุเราเยอะแล้วเนี่ยเจ็ดสิบมีแปดสิบมีต้องคิดให้เยอะอ่าวันนี้ก็เหมือนการกูรอ่านที่อยู่ข้างหน้าท่านที่กรอรีอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะนี่เรื่องของนบี ม, มุฮัมมัดทั้งหมดเรื่องของนบี ม, มุฮัมมัดทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องของเราอ่ะท่านกูรอ่านเนี่สอนเรื่องของเราทั้งหมดก่อนหน้านี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องวิญญาณใช่ไหมยังจําได้ใช่ไหมอ้าววิญญาณวิญญาณคนที่มาหานาบีเนี่ยส่วนใหญ่คนกุฟารกูเรชคนกูเรชกูเรชมาันเชื่อสายนาบีญาตินบี๋อยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบนบีแล้วก็คนเหล่านี้เป็นคนกุฟฟารปฏิเสธมุฮัมมัดไม่เชื่ออัลลอฮ์ว่ามีองค์เดียว แล้วก็ไม่เชื่อว่ามุฮัมหมัดนี่เป็นรสูลของอัลลอฮ์เพราะไม่เชื่อเสร็จแล้วก็ต่อต้านพอนบีนำอะไรมาสอนนี่ต่อต้านหมดเพราะอิสลามนี่สอนทุกเรื่องทุกศาสตร์คุณอ่านตรงไหนที่บอกว่าทุกศาสตร์ว่าเก็จะสร้นาฟีฮาสุลกุรอานมิ่งคุลลิมาซลตรงนี้อธิบายว่าเราได้อธิบายอัลลอ์พูดนะ เราได้อธิบายทุกเรื่องไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานวะละกอนตะซนรฟนาฟีฮะตะกุรอานมิงกุลลิมาซัลเราได้อธิบายทุกเรื่องนะมิงกุลลิมะซัลมาทุกๆตัวอย่างทุกๆอุทาหรณ์เราอธิบายให้มนุษย์ฟังหมดแล้วทีนี้พอถามเรื่องวิ ญ, ญญาณถามเพื่อ ไม่ใช่อยากจะหาความรู้นะไม่ใช่ถามเพื่อจะขจัดความโง่ก็ไม่ใช่แต่ถามเพื่อจ ะ, อะไดนะลองภูมิลองปัญญาวะมุฮัมมัดเนี่ยรู้เรื่องวิญญาณหรือเปล่าลองภูมิกันอนัลลอฮ์ Allah, ให้เรื่องมาตอบไงอยาสลูในการนี้นนนนรู้ จะมีคนมาถามมูฮัมหมัดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมูฮัมหมัดเอ๋ยกุลจงตอบกุลรู้เมินอัมริรอ บ, บีเรื่องวิญญาณมันเรื่องของเป็นกิจการของอัลลอฮ์เป็นกิจการของมินอัมริรอ บ, บีเป็นกิจการของอัลลอฮ์ سبحانه แลาะุสัลตานผู้อภิบาลของฉันจบเลยอธิบายแบบนี้โจทั้งวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณเนี่ยอยู่ที่ไหน แล้วไปยังไงออกจากร่างยังไงเข้ามายังไงไม่มีใครรู้ตะกูอันนบีมัาอธิบายเลือเล็กในน้อยเท่านั้นเองวิญญาณเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างของเราตั้งแต่เราอายุได้หนึ่งร้อยสี่เดือนอะเท่าไรหนึ่งรอยเท่าไนหะนึ่งร1อยี่สิบวันก็เป็นอยู่ในอสุจิเนี่ยอยู่ในคันมันดา 40วันเป็นก้อนเลือด40วันเป็นก้อนเนื้อ40วันแล้วก็มีอะไรนะมีกระดูกเนี่ยอลัลลอฮ์นี่นอลัลลอฮ์อธิบ า, ายในคัฟิรกอานสี่สิบสี่สิบสี่สครั้งเท่าไหร่ร้อวันพอครบ120วันอัลลอฮ์เป่าวิญญาณอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าวัญญาานฟัคตุฟีฮิไม่รู้ให้ฉันได้เป่าวิญญาณของฉันลงไปในคันของมารดา พอเปล่าลงไปก็เด็กก็เริ่มดิน้นนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมรั้วเข้าแล้วเรารั้วอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีใครรู้อยากรู้ไหมอยากรู้กันทุกการทุกคนแต่ที่พวกเรามีงานหนึ่งงานส่งรวใช่ไหมนะตอนตายแล้วมนะัน่ะงานส่งรัว้วความจริงงานรัว้วเน่ยมันงานของใครมินอัมรีรอบบีงานของบุพอวบิบาลของฉันของอัลลอฮ์แต่พวกเราก็ รับหน้าที่ไม่รู้ว่าใครมอบให้ส่งวิญญาณอัลลอฮ์ส่งรั้วแล้วพูดภาษานี่นะภาษานี่ผิดอย่างแรงเลยนะฉันส่งรัว้วไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์มันหน้าที่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีวาระการรับผิดชอบดูแลฉะนั้นเราดูแลรั้วยังแล้วดูแล ว, วิญญาณให้สะอาดอ้าวดูแล ว, วิญญาณในสะอาดทํำยังไงย่าชิริกต่ออัลลอฮ เนี่ยรักษารั้วให้สะอาดดูแลรั้ววิญญาณให้สะอาดโดยการไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจาก AH. อัลลอฮ์มิูทางเดียวและการซักเขาเรีย ก, กว่าซักฟอกหัวใจให้สะอาดการซักฟอกหัวใจให้สะอาดเนะ่ยเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอา้าวประเสริฐรู้ได้ไงว่าประเสริฐก็อัลลอฮ์สาบานไว้ สาบานต่ออะไรนะวัชมสวุฮาสาบานต่อดวงอาทิตวักอมรีตาลาฮาสาบานต่อดวงจันวันนาฮารีสาบานต่อกางวันวันไลลิสาบานต่อกังคืนแล้วก็วัสมะสาบานต่อชั้นฟ้าวัอัดิสาบานต่อแผ่นดินวันนัสิ้นแล้วก็สาบานต่อเนี่ยชีวิตของมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์สาบาน ของที่เป็นวัตถุวัตถุวัตถุกิรการนะเจตรายการสาบานเะจรายกา ร, าา ร, าการให้มาดูแลรายการเดียวดูแลรู้ดูแ ล, ว, ح, แลวิญญาณกอดอัฟละฮามันซักกะนี่เราใส่ไว้ในหัวเลกเพื่อทุกคนจะได้ท่องจำกลออ่านจะได้เตือนตัวเองกอดอัฟละฮามันซักกแปลว่าอะไรคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาด คือไม่ทำชีริกไม่เคารพสิ่งอื่นไม่เชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นศักดิ์สิทธิ์สำคัญคนนี้แหละเป็นคนที่ชาระหัวใจให้สะอาดแล้วคนที่มีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยเ้าเรียกว่าไงวาก็จะคอบามันดัสหาคอบาะแปลว่าอะไรนะเสียหายวาก็จะคอบะพินาศแล้วพังแล้วย่อยยับแล้ว ดัชช า, าคนที่หมักหมมอ่ะว่าก็ข้อบามันดัชช า, าคนที่ปล่อยให้วิญญาณตัวเองมาด่ระวังมาด้ดูแลทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเสียหายหมดเลยเ อ, อ้ากุ้งอ่านต้องไหนก็อายาต่อไปน่นแหละ อ, ออะอิอิมบะอิัมอิิมบาอัชอฮาฟะล่ละหุมรอซูลุลลอฮนก็ตัลลอฮิวสุกยาฮาพวกพวกโกงสมุดพวกเนี้ย ตอตานนาบีสอลเลยล้วเป็นไงนะอัลลอฮ์ให้อูฐมาตัวหนึ่งไปตัดขาอูฐไปทําลายอูฐ แ, แล้วอัลลอฮ์ไปได้อัลลอฮ์เดิลงโทษมาเนี่ยโอ้โหตายเรียบหมดเลยนะบางคนตายก็าตายก็ดียันเดีหมดทำภาระหน้าที่แค่บาวาตารเราจบตายแล้วไม่จบตายแล้วถูกลงโทษจะอลัลลอฮ์ในสุสานอีกวิญญาณถูกอีก นี่ <N ee> ถ้าอ่านก็อ่านพิจารณาจะนึกได้ Allah อัลลอฮฺอักบะตตายแล้วไม่จบส่วนคนดีตายแล้วก็ไม่จบเหมือนกันตายแล้วได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานุลลาเต็มไปหมดโอ้โหถ้าคนตายนี่นะขึ้นมาบอกนะมารายงานนะโอ้โหคนก็ไม่เชื่ออีกคนตายแล้วขึ้นมาเพราะมันผิดหลักของอัลลอฮฺเนี่ยแคนั้นเชื่อนบีมูฮัมมัด อ่านบีมาสอนตายแล้วเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างา ง, างี้อยู่ในกุโบอ่าขอเล่านิดหนึ่งคนที่มีอามันที่สอนแล้วเนี่ยเวลาตายแล้วเป็นยังไงรู้เปล่าจะมีคนแต่งตัวสวยๆมีอยู่สามอย่างนะแต่งตัวสวยหน้าหล่อแล้วก็ใส่เครื่องหอมพอยังเห็นแค่สามรายการเนี่ยเราเราพอใจอยัง บุญยุพุจาเนี่ยราก็พอใจมีคนรูปร่างดีๆหน้าตาหล่อๆเดินมาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วก็กลิ่นหอมพอยังพอแล้วแล้วพูดจาดีๆแค่สามสี่รายการนี่แหละในกูโบก็เหมือนกันเวลาเรานอนอยู่ในกูโบพอฝังเรียบร้อยแล้วอ่านทุอาตัสบดีพอพี่น้องเดินกลับนี่ไงสามรายการนี่จะมาอะไรนะชายคนหนึ่งที่หน้าตาสวยสวย แล้วก็เสื้อผ้าสวยแล้วก็กลิ่นหอมมาหาเราในกุโบสพอมาหาแล้วก็ถามว่า ม, มั่นอั้นแต่คุณน่ะคือใครมายืนในกูโบฉันทาไมแล้วก็คนเนี้คนที่มาหาเราเนี่ยเขาบอกว่าอาณาอามาลูกะฉันนี่เป็นงานของท่านคือผลงานที่ท่านเหน็ดเหนื่อยมาอยู่บนดุนยาน่ะ ยืนนมาตอนกลางคืนถือศีออดในเดืดอนมกราคมทำความดีกับพ่อแม่อามัณฑสอนแรกทั้งหมดที่ท่านทำนี่ไงมาในรูปของคนมายืนคุยกับท่านในกุบโบเห็นยังไปทำดูเลยเลยนี่เราต้องเชื่ออเชื่อเพราะใครย ส, สอนเพราะนบบีมุฮามัดสอนแล้วถ้าคนอื่นสอนแล้วไม่เชื่อมันก็หกก็ได้ตอนแหลกก็ได้แต่ของที่บีมุฮามัดต้องที่สอนนั้นเชื่อหมดเพราะอะไร เพราะอัลลอรับรองบอกว่าว่ามายั้ที่กุอานิลฮว่านบีมุฮัมมัดไม่เคยพูดตามอารมณ์อ uh ินวอินลาวะยูยูฮสิ่งที่นบีพูดทั้งหมดนั้นเป็นวาฮีทั้งหมดเลยขณะมาถามเรื่องวิญญาณนบีตอบยังตอบไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องรอวาฮีพะวาฮีมายสลูนกาิรูุลมุฮัมมัดเออจงตอบ กูรู้เขามอัมริลบีเรื่องวิญญาณนั่นเป็นเรื่องของพระพุทธไบาลของฉันท่านของที่นบีพูดออกไปแต่ละคำแต่ละคานั้นมีสองอย่างนะพูดออกไปเป็นไวฮิเป็นกูรานแล้วก็พูดออกไปเป็นฮัดีิมีอีกต่ออธิบายมีคนอธิบายได้กูรานก็คือมัทลูไลดีมัทลูก็คือเป็นฮัดดิสทั้งหมดที่ท่านนาบีพูดบันทึกไว้หมด มีซอบ้านนาบีมาทึกไว้หมดเลยอ้าวขอบคุณอลัลลอฮ์นะเราอ่านอัลกุรอานวันนี้มาถึงอายาที่เท่าไหร่นะ90 90ใช่ปะ90มา <c oughs> ครับกรอ่านเอาวันนี้ก็คืออายา90นะอายาที่90ถึง95เอาเอา5อายาหนะ وقالوا لنؤمنا لك حتى تفجر لنا من الأرض يمبوعة وقالوا ل ن, ن ؤ ل ل م ن لك حتى تفجر لنا من الأرض يمبوعة อั ا นี้แปลดีนะ แกบอกว่าเราจะไม่ศรัทธาลั น, นุมินาลากะเราจะไม่ศรัทธาเราจะไม่ศรัทธาลั น, นุมินาลากะเราจะไม่ศรัทธาว่าท่านนี่นะเป็นนบีนะลั น, นุมินาลากะฮะจะเราจะไม่ศรัทธาจนกว่า ท่านอะไรนะทัฟยุรอลานาเมนัลอาร์ดีจนกว่าแผ่นดินในนครมักกาเนียนะมีตาน้ำพวยพุ่งขึ้นมานบีทำได้เปล่าละ่ะถ้าเอาน้ำในนครมักกาเนี่นะพวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละฉันจะยอมท่านว่าท่านนั่นเป็นนบีงานใหญ่นะเนี่ย ต่อสู้กันน่าดูเลยพอๆกับฟาโรนั่นแหละฉันจะไม่เชื่อว่าท่านเป็นนบีนมูซาเอ๋ยจนกว่าท่านจะต้องทานี่นี่นี่นี่นี่พอนบีมูซาทาจบขอต่ออีกขอที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเหมือนกันคนในโลกนี้คล้ายๆกันถ้าไม่เชื่อนี่เอาล่ะมันก็ไม่เชื่ออยู่ น, ะะ น, นั่นแหละอันนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ย เขาบอกว่าจะไม่เชื่อว่าท่านในน่นะเป็นนบีนะจนกว่าท่านเนี่ยจะต้องทําอะไรนะให้แผ่นดินในนครมากาเนี่ยเป็นสวนเพราะซาอุดีนําร้อนใช่ไหมละ่ะก็ต้องการมีสวนมีน้าพุออกมาถึงจะเชื่อว่าท่านนี่เป็นนบีตกลงว่าจะให้นบีเนี่ยเป็นอะไรนะเออเป็นอะไรนะสามารถเปลี่ยนเงิน ป, ป, ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้ได้หมดเลยถึงจะเชื่อเป็นเป็นนบีนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟัง อตัตมาครับเอาตะก a ล a ั a กาจันนตุ ม, มินนะ i ีลหรือให้ท่านมีสวนอินทรพาลัมหรือนบีมุฮัมมัดเนี่ยต้องเป็นคนรว ย, ยว่าง่ายๆนะนะต้องเป็นคนรวยมีอะไรนะมีสวนอินทพาลัมและสวนอะไรอกีกว่าไอนาบิน สวนอะไรนะสวนอ่างงูถ้าเราคนที่จะเป็นนบีจะต้องรวยไงมีสวนอ่างงูแล้วก็สวนอินทพลัมวาตุฟัจริรอลันฮาระแล้วก็ทำให้มันแยกเป็นลำน้ำไหลาสายคือนบีต้องมีสวนมีสวนอินทพ ล, ลัมส่วนอะไรอีกสวนอ่างงู แล้วยังไม่พออีกแล้วก็มีลม้ำล้ำไหลาสายไหลผ่านอ๋อแ <Allah. S 1> สดงว่าคนกระจกกระจกจนจนเป็นนบีได้ไหมไม่ได้ในสายตาของคนกาเฟสเนี่ยต้องรวยอ่าต้องรวยต้องอย่างนั้นอย่างนั้นต้องมีบ้านเดี๋ยวต่อมาจะมีบ้านอีกมีอะไรนะต้องมีสวนอินทรพาลัมหรือไม่ก็สวนอ่างงู เราก็มีลำน้ําหลายสายโอ้โหมองแล้วอย่างงี้เป็นต้นนัน่นนบี๋ยตกลงมาในฐานะเป็นคนร่ํารวยคนจนเป็นไม่ได้ผวยพุ่งออกมาท่ามกลางมันนี่เป็นความเชื่อคือต้องการจะอธิบายอย่างนี้คนกาฟเฟต์เนี่นะคนที่จะเป็นผู้นาํานกรทั่งวันนี้ก็เหมือนกันคิดเหมือนกันนะคนจะเป็นผู้นําต้องรวยคนจะเป็นผู้นําต้องมีอะไรนะ ต้องมีพิเศษอะไรกว่าคนอื่นถ้าจะมีบ้านก็ต้องบ้านใหญ่ถ้าจะมีสวยก็ต้องมีสวยนยีนพ้าลามสวนงงสวนนี่ต้องมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเต็มไปหมดแต่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่ฉันจะเลือกคนจะเป็นนบีเนี่ยเลือกคนดีเหมือนกันจะบอกว่าจะเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมืองที่ดีมีาศาสนาจะเป็นผู้นาคนเนี่ยตรงนี้ ศาสนากำกับชีวิตมีแต่เงินอย่างเดียวอเอารอเดียวมันก่อนเพราะนั้นวันนี้อิสลามเป็นศาสนาเดียวนะที่สอนให้คนนั้นมีคุณธรรมยิ่งเป็นผู้นำต้องมีคุณธรรม ต, ต้องมีอะไรนะต้องมีศาสนาต้องมีจริยธรรมเอาต่อมาครับอายาที่92อเอาตุสติตัสมา กามาจะงามต่อเราในกิสาฟา أو ตัติบิลลาฮิล ا ل م ل ا ئ ك ة قبيلة นี่ขออีกจะเป็นนบีต้องอะไรหรือท่านทําให้ชั้นฟ้าเนี่ยหล่นลงมาบนเราเป็นกีสาฟาเป็นเสียงเสียง มุฮัมมัดที่ประกาศตัวว่าเป็นนบีเน่ยเราจะไม่เชื่อหรอกจนกว่าท่านเนี่ยทำให้ชานฟ้าเนี่ยหล่นลงมาบนมาทัพพวกเราก่อนถึงจะเชื่อเพราะนาบีเคยพูดอย่างนี้ใครที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่เชื่อรอซูลอัลลอฮ์จะลงโทษน่ะให้ชาให้ฟ้าเนี่ยถล่มลงมานาบีเคยสอนเน่ยเคยพูดพูดพรอพูดในนคร สอนศาสนา น, น, นครมาเกสกี่ปีเ่ยสิบสามปีนะสอนเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วก็สอนเรื่องนี้ด้วยใครที่ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่อรสุลอัลลอฮ์จะให้ชันฟ้าเนี่ยหลน่นลงมาจะให้อะไรนะเออให้อาสาบมาจากชันฟ้าปู่นี้มันก็รอมันก็ท่าเอาเาเอาเอ า, เอาชันฟ้าลงมาทับฉันก่อนสิฉันจะได้อีมานว่ามนะุฮัมมัดนั้นเป็นรสูลของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าเลยนะ อาตาอมาครับอาตตยบิลละคือมาจากกาตรอัลลอฮฺกิสฟาตามที่ท่านอ้างาตามที่ท่านน บ, บีเคยสอนไว้อ้างเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นเอานามาก่อนสิถึงเราจะเชื่อเอาต่อมาอาตติยาบิลละหรือนาอัลลอฮฺลงมา ถ้าอัลลอฮ์มีจริงให้นำอะไรนะให้นำอัลลอฮ์ลงมาแล้วนำใครอีกวันมาลาอิกะแล้วก็นำมาลาอิกะลงมากอบีลาให้เห็นต่อหน้าเลยนำอัลลอฮ์ลงมาอยู่ต่อหน้าฉันไงหรือไม่ก็ น, นำมาลาอิกะอยู่ต่อหน้าฉันก็อัลลอฮ์สอนราว่าอัลลอฮ์เนี่ย ถ้ารอบให้เห็นสักหนึ่งสึกสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนหน้าดุญยาใบนี้นะลูกดุญยาใบนี้ไหมหมดนะถ้าเอาพระพักของอลัลลอ์เนี่ยออกมานิดเดียวนะลูกดุญยาใบนี้ไหมหมดนะอา้าวรู้ได้ยังไงก็วันที่นบีมูซนะ่าขึ้นไปบนภูเขาอลัลลอฮ์บอกว่ามูซาฉันแต่งตั้งคุณให้เป็นรอซูล แล้วก็แต่งตั้งคุณเนี่ยให้ไปทำงานสอนสาศาสนากับพวกฟาโร่เพราะพวกนี้ตั้งตัวเป็นเป็นพระเจ้านบีมูซาต่อรองอลัลลอ์ว่าอยากอยากเห็นหนะา้าอัลลอล์นะเราเห็นฉันไม่ได้อยากเห็นอยากอ่เอาเราอมองมอ ง, มองที่ภูเขาพอมองภูเขาเอาลัลลอฮ์ให้ไฟมาแค่ไฟมาอย่างเดียวปุ๊สลบไปเลยอะ่ะ พอตื่นขึ้นมาฉันเชื่อแล้วว่าฉันมองอัลลอฮ์ไม่เห็นบนโลกดุนยาใบนี้ฉะนั้นถ้าให้อัลลอฮ์ลงมาเรียบร้อยดุนยาใบนี้หมดไม่หมดพินาศหมดแล้วจะเอาอยัางไงฉะนั้นพวกนี้ขอร้องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นทําไม่ได้และขอร้องมันมากเกินไปอาทีอัลลอ์ให้พาพาดวงจันทร์ก็ทํามาแล้วใช่ไมให้น้า น้ำอะไรนะนะใดกบก้าบ้านนะ่ะทิมั ก, ก้านะ่ะน้ำดำดำตั้งแต่สมัยนบีอิบราฮีมมาถึงวันนี้กี่พันปีมาแล้วยังไหลอยู่เลยเนี่ยแล้วก็บนโลกรุญนยาไปนี้นอกจากน้ำดำดำมีน้ำอื่นอีกไหมลนะ่ะที่ดีกว่าน้ำดำดำมีไหมไม่มีครับนี่เอาล่อให้เห็นนะหลายเรื่องอนะเป็นมนั่งดิษฐ์ทั้งหมดอ้าวคำพีที่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ย วันนี้ที่หลงเหลืออยู่จริงๆมีกุรอ่านเล่มเดียวของอื่นสังคยานาถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดแล้วเพราะว่านี้ผมไปเยี่ยมมารณลานาอัลมัตลาขาไปเนี่ยผมนั่งไปกับฝรั่งที่รับอิสลามรับอิสลามมาสามปีอีกคนเยอรมันอยู่อยู่งนวนระยองรูอยู่อยู่ๆๆๆๆรูยอง ครับอิสลามก่อนหน้านี้ลูกชายรับอิสลามพอลูกชายมาแต่งงานแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลูกชายไปหาพ่อบอกว่าพ่อหนูมาวันนี้ต้องการมาพูดคำเดียวให้พ่อพูดเลย لا إله إلا ا ั ل ه محمد رسول الله พอพ่อพูดจกแปลว่าไราลูกก็อธิบายให้ฟังน่ะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลล์และมุฮัมมัดเป็น ر س ูลของอัลล์ เขาบอกว่าเขาอยู่ซาอุดีมาสิบปีไม่เคยมีใครมาสอนฉันให้รู้จักอัลลอฮ์อยู่ตั้งสิบปีในนครมะกาเนี่ยอยู่แถวแถวยุดธด้านเนี่ยไม่มีใครมาสอนฉันให้รู้จักอัลลอฮ์เลยแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ลูกฉันรับอิสลามก่อนหนะ้าฉันไม่กี่ปีแล้วก็มาเชิญชวนฉันให้รู้จักอัลลอฮ์ฉันก็เลยรับอิสลาม แล้วก็ต่อมาฉันก็ให้พรรยาช่งรักอิสลามอีกคนหนึ่งแล้วก็รับขยันอยู่สองคนรับอิสลามทาัทง้งทั้งทั้งสองคนแล้วก็ให้น้องสาวรับอิสลามอีกอัลฮัมยุลิลล่าเขาภูมิใจอัลฮัมยุลิลล่ามาถามรับอิสลามเพราะอะไรรับอิสลามแล้วมันสบายใจอ่ะอัลลอฮ์ห้ามโน้นห้ามนี้อัลลอฮ์ดีหมดเลยขอบคุณอัลลอฮ์โอพี่น้องนั่งนั่ง ผมนั่งรถไป น, ะนั่งคุยกั น, นอันลลอ์ก็ได้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยคุยคุยไปก็ร้องไห้ไปอะไรไปนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุภานะฮูตะละนะครับอา้าวต่อมาครับความจริงคนกาเฟนนี่นะเข้าใจว่าผู้ที่ผู้นำต้องเป็นเทพมาผู้นำต้องร่ำรวยผู้นำต้องมีบ้านใหญ่เป็นเจ้าของสวน เช่นเคยถามถามนาบีถามอัลล์ไว้สิบสิบสิบรายการผมจะอธิบายให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นนบีเนี่ยทำไมต้องเป็นคนที่กินอาหารด้วยทำไมต้องเดินตามตลาดด้วยเพราะนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีสิทธต์หนึ่งกินอาหารเหมือนพวกเราแล้วก็นอนบนเสือแล้วก็มีลูกมีเมีย แล้วก็น บ, บีก็เดินตามตลาดน บ, บีเดินตรวจตลาดด้วยพวกอาหรับมันก็งงว่าคนที่เป็นน บ, บีทําไมต้องเดินตามตลาดมันต้องบินสิมันจะไม่เดินใช่ไหมล่ะอ้าวเรื่องที่สองอายุลกออไลฮิกันซุนอาตะกูนัลฮูยันน่ยะกูลูมินแทะนบีท่า น, นจะต้องมีการซุนมีกองคลังมีทรัพย์สมบัติเยอะๆใช่ไหมล่ะเป็นพันล้านสองพันล้านสามพันล้าน แล้วก็มีสวนชาวบ้านชาวนาเดินเข้าไปในสวนของนบีสามารถกินได้เลยนั่นความเชื่อเขาเป็นอย่างนั้นอันที่สามพอนบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีคนส่วนใหญ่ก็พูดว่ามุฮัมมัดนั่นถูกของมุฮัมมัดเป็นคนบ้ามุฮัมมัดเป็นนักสยศาสตร์มหฮัมมัดเป็นหมอผีถูกดา่าอันที่ห้า คนที่จะเป็นนบีนั้นวัดจะอาล่ลากโกซูรอบ้านของนบีจะต้องเป็นวังแต่ปรากฏว่าบ้านนาบีจริงๆนั้นเล็กเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนสวนกับความรู้สึกของชาวบ้านหมดเลยเอ้าวบ้านนาบีขนาดไหนรู้ใช่ไหมบ้านนาบีนี่ขนาดยืนยกมือขึ้นติดหลังคาเวลาสูญูดถูกขาใคร ทูกขาภรรยานั่นบ้านนาบีคนคาเฟ่ตมันรับไม่ได้โอ้โหคนที่จะเป็นนบีทำไมบ้านเล็กแต่ทำไมนบีเงินน้อยด้า น, นคนที่จะเป็นนบีบ้านนาบีต้องทำเป็นโอเป็นปราสาทเป็นวังอย่างดีถึงจะยอมรับให้มุฮัมมัดเป็นนบีอาต่อมาข้อที่ข้อที่ห้า นี่ไงนบีต้องมีสวนอินพาลัมนบีต้องมีสวนเป็นองุ่นใช่ไหมเราก็มีลําน้ําหลายสายออกมาจากสวนนั้นข้อที่หกจะต้องอะไรนะนําเอาชันฟ้าเนี่ยลงมาทับพวกเราหรือเอานอําอัลลอฮ์ลงมาหรือไม่ก็นําใครอีกนะนํามลายิกะลงมาอยู่ต่อนหน้าพวกเราเอ้ามล า, ายิกะถูกสร้างมาจากอะไรสร้างจากอะไรนะ รัศมีถ้ารัศมีนะ่ะสามารถมองเห็นตัวได้ไหมไม่ได้รัศมีอย่างนี้เรีรัศมีหมดเลยสว่สสวางๆอย่างเงี้ย่านมาลัลเลกาเป็นรัศมีไม่สามารถที่สัมผัสด้วยตาได้แต่ท่านคนที่บอกว่ามูฮัมหมัดเปลี่ยนมัลเลกาให้เป็นคนสิถึงจะเชืเ่อไม่ใช่หน้าที่ของมูฮัมหมัดหน้าที่ของมูฮัมหมัดคือมาสอนสาศาสนาเท่านั้นเอง เ ป, นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มีนู่นมีนี่ไม่ใช่นาทีของนบีมูฮัมมัดเอาต่อมาครับเอาอยากูนละกไยตุมิซุครุฟข้อที่เจ็ดเนี่ยให้มาลาอิกา ล, ลงมาอยู่ต่อหน้าให้นำอัลลอ์ลงมาข้อที่แปดบ้านนาบีต้องทำด้วยทองอ่าข้อที่เก้าขออีกขอให้นบีนั่นนะเดินเหาะได้บนอากาศ เดเดเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงให้นบีเนี่ยบินห่อได้ในอากาศน่นเป็นความเชื่อนะข้อที่1ิบให้นบีนั่นนำกุรานเป็นเล่มๆ ล, ลงมาจากชาน้าคือให้พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเป็นเล่มๆ ล, ลงมาจากชาน้าขอร้องนบีถึงเราจะเชื่อว่ามุฮัมมัดนี่เป็นรอดูนของอัลลอสุบฮานาอูตะลานักกว่าพวกเราพวกเราเคสยั ง, ย, งยังไม่เกิดใช่ไหมนะ่ะ แล้วไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็จบ ก, กันน่ะใช่ไหมแต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยต่อสู้กับคนกาเฟสในนครมักกะให้รุ้จักรสูนเนี่ยนบีใช้เวลากี่ปี23ปี13ปีในนครมักกะและสิปีที่นครมดีนะักหนักมากทำงานเหนื่อยจริงๆแต่อัลฮัมดุลิลละทีนี้คำตอบก็คือว่ามีฮัดิสบทหนึ่งนะครับ เสนอให้นบีเนี่ยให้ภูเขาในนครมกากเป็นทองมีมีอาดับอยู่กลุ่มนึงนะบอกมุฮัมมัดฉันจะเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นนบีได้เนี่ยท่านเปลี่ยนภูเขาในนครมกาให้เป็นทอง อ, อัลลอฮ์นบีก็ขอดุทิศตออ่ออัลลอฮ์ขอให้ทองขอให้ภูเขาในนครมกาเป็นทองได้ไหมอลัลลอฮ์ตอบว่าอย่างงี้ มูฮัมหมัดฉันสามารถที่จะให้ภูเขาในนครมะกาเป็นทองได้แต่ระวังนะถ้าหากใครทำผิดลงโทษเลยถ้าใครทำผิดปั๊บลงโทษปุ๊บเอาไหมนะพีบบ่ฉันไม่เอาเสนอให้พี่น้องทุกคนก็กลัวหมดนะ่ะเพราะฉะนั้นน บ, บีตอบบอกว่าฉันต้องการอะไรนะ ไฟะจะจุ่มตัวว่าแต่กินอัศบะยามันว่าจุ่มมันนบีใช้ชีวิตอย่างนี้หิววันหนึ่งแล้วก็อิ่มวันหนึง่งนี่นบีพูดนะฉันอยากใช้ชีวิตแบบนี้อิ่มวันหนึ่งแล้วก็หิววันหนึง่งคุณว่าดีไหมอิ่มวันหนึง่งหิววันหนึ่งอะดีได้ไม่ดีต้องถามพวกเราอ่ะคนที่เป็นโรคนะว่าดีสิพอผ่าตัดมาแล้วสามเส้นบายพาธ ดีหมดวันนี้อิม่มพรุ่งนี้หิวไม่มีปัญหาเพราะวัดีผู้สุขภาพหนุ่มๆเนี่ยไม่เคยผ่านยังมาเดียวพายหัวใจนึกว่าอิ่มทุกวันน่ะดีไม่ดีอิ่มทุกวันไม่ดีถ้าอิ่มทุกวันน่ะรอดอะไปตรวจหมอเดี๋ยวเจอและโรคเบาหวานโรคความดานันโรคอะไรต่ออะไรตามมาเต็มไปหมดฉะนั้นที่นบีพูดนี่นะยาอบบัลลออ้อ เพื่อบานของฉันเอ่ยวันละกินอัศบะอวยาวมันฉันขออิ่มวันหนึง่งว่าอายุอวยาวมันแล้วก็หิววันหนึง่งจะพูดง่ายๆอะ่ะอิ่มตอนเช้าตอนเย็นหิวก็ยังดีถ้าอิ่มทุกวันแปะทุกวันไม่ดีสุขภาพไม่ดีต้องถามคนที่พ่าตัดมาถึงรู้ถ้าไม่พ่าตัดมาไม่รู้ถามพี่เฉลิมน่าอยู่ตรงนี้รู้เพราะสามเส้น 3าวันสท่านนะสีเพลินบาพาสมาแล้วพี่น้องนะอิจาจุ๊ะตัวอ้าวนาบีพูดเองนะถ้าหากฉันหิวนะทำอะไ ร, ต, ร, รต่รอรอตัวอีไลกะฉันจะได้นอบน้อมถ่อมตนต่อท่านนึกถึงท่านกลัวท่านใช่มั้ยวาสกาตุลกะวาสกาตุลกะฉันก็จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ตอนหิวๆ ว a าอิละชาเบะตุเมื่อฉันอิมฮามิดตุกะว่าชะกัดตุกะฉันจะขอบคุณอัลลอฮฉันก็จะขอบคุณอัลลอฮฉันจะสรรเสริญอั AH, AH U, ลลอฮสุบฮานะฮูตลอดแม้คราะว่าทั้งหิวทั้งอิมนี่นบีสอนให้นอบนอบ้อมถอมตนต่ออัลลอฮตลอดเวลาและพูดอย่างนี้เป็นการรักษาสุขภาพด้วยนะหิววะหิวยกจอิมตอนเช้ากอคืนตอนนอนให้หิวไม่มีปัญหารอ สุขภาพดีตอนนี้พวกเราเนี่ยนะไปกินอาหารตอนสี่ทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มนอนเรียบร้อยนั่นแหละตัวตัวตัวเชื้อโรคเลยแหละแล้วก็ตัวทําให้ร่างกายอ้วนด้วยแล้วก็อาหารยังไม่ทันย่อยแล้วก็นอนหลับนะนั่นแหละเรียบร้อยชีวิตแย่มากเลยแต่ที่นบีพูดนะเป็นของดีทั้งหมดเลยเขาวิเคราะห์กันนะรวมไปถึงวิเคราะห์นี้ด้วยเมื่อจะยินเสียงอาจาร ให้รีบนมาศเลยอย่างน้อรอสัก5้านาทีสิบนาทีดีกว่าสุขภาพดีกว่าหัวใจดีกว่าสมองเพราะหมอนักวิทยาศาสตร์ของมาเลเซียเนี่ยได้วิจัยออกมาแล้วว่าที่น บ, บีพูดกับบิลาดบอกว่าอาริฮนาบิลาจะรีบอาจาร์สิพอได้เวลานมาตเนี่ยฉันจะได้พักผ่อนทำไมน บ, บีพูดภาษานี้มาวิจัยมาวิเคราะห์ หมออุบายดีเลาไปฟัง่วิเคราะห์ก็คือว่าการที่เราเริ่มนมารหลังจากได้ยินเสียงอาจารอัอนุมาสุนัดก่อนเนี่ยสุญญ์นานๆหน่อยนะอัลลอฮฺอักบรดีกว่าสมองดีกว่าสติปัญญาดีกว่าหัวอกหั ว, วใจร่างกายทั้งหมดเป็นการพักผ่อนนอนยังไม่เท่ากับการพักผ่อนในท่าของการสุญญ่ต่ออัลลอุภาวาตา เติวิจัยกันหมดแล้วทำไปเรื่อยแล้วฉะนั้นอย่างนมาซูโบ่เนี่ยตีเท่าไรตีสี่ครึ่งอาจารย์ใช่ไหมน่ะแล้วก็ตีสี่ห้าสิบเนี่ยนมาได้แล้วอย่างที่เราจะจัดรอยู่ลานมาเนี่ยดีมากเลยถ้าไป น, นมาเจ็ดโมงมีไว้มีคนนมาแปดโมงมีเป่าวมีใช้ได้ไหมได้ก็คือตื่นแปดโมงก็นมาแปดโมงตื่นเจ็ดโมงก็นมาเจ็ดมงแต่เป็นยังไง คุณภาพมันก็ด้อยลงด้อยลงด้อยลงแค่ถนมาตามสุนทรนบีตามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ดีที่สุดเลยเพิ่มเพิ่มเจ้าวิจัยพวกแต่นี่ตัวย่อเราอะ่ะที่เขาถนอมก็มาตรงเวลาเนี่ยเขาไม่รู้เหตุผลเลยนะเขาเชื่ออัลลอฮ์เข้าไปสวรรค์นนะวันนี้ทำกนะันเรื่อไอ้พวกเราวันนี้ต้องหาเหตุผลก่อนไงถนอมถนอมเมื่อตอนอาจารย์จะได้อะไรไปหาไปวิจัยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมลนะ่ะ ถ้าวิจัยได้รู้มันก็ดีอิมานมันก็เพิ่มแต่ถ้าเราวิจัยไม่ได้อีิมานของเรามันก็เพิ่มอยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนและเข้าใจาศาสนาเอาตกลงว่าคนอาหรับขอร้องนบีตั้งสิบกว่ารายการว่าจะเชื่อนบีสักทีหนึ่งว่าเป็นรอซูลโอ้โหต้องแสดงเยอะไปหมดแต่นี่มีอยู่วันหนึ่งผมอ่านพบเนี่ยเอ่อ มีอา랍 บ, บัดวีคนหนึ่งอา랍 บ, บัดวีนะมาถึงอาับอะไรนะอาับบ้านนอกอ่ามหาท่านนาบีสุลลันอะลัยวะสัลลัมพอเข้ามาเขาบอกมุฮัมมัดอยู่ไหนอ่ะคนที่อ้างตัวว่าเป็นนบีเนี่ยอยู่ไหนเขาบอกอยู่ในห้องนี้กําลังประชุมกันอยู่อา랍 บ, บ้านนอกเนี่ยก็เข้ามาเข้ามามุฮัมมัดคนไหนโ อ, โอ้โหเก่งนะดูเลยนะบอกคนเนี้ยผมเองมุฮัมมัด นี่แต่หากว่าเราไม่มีพันธะสัญญากันไว้นะเราจะฆ่ามุฮัมมัดศาสนาอุมัตบอกว่านาบีขออนุญาตตัดคอนมันไหมทำงานในเก่งหน้าดูเลยบอกเพราะว่าพ่อก่อนพ่อก่อนพอก่อนเสร็จแล้วก็นบีถามว่าคุณเชื่อชันไหมว่าฉันนี่เป็นเป็นป น, นบีของเราฉันไม่เชื่อ นี่น บ, บียังมีชีวิตอยู่ในอาณาบ้านนอกเดินมาหาน บ, บีนะน บ, บีถามว่าคุณเชื่อความจริงเป็นน บ, บีไม่เชื่อจนกว่าอ่าบอบหมายถึงอะไรนะบอบโดบอะอะไรนะสัตว์อะไรนะสัตว์เลื้อยคลานอะไรสัตว์อะไรนะตัวแย่อ่าจนกว่าตัวแย่ทฉันจับมาตัวหนึ่งแล้วก็ตายแล้วฉันเก็บเอาไวททท้ที่ที่อูดของฉันอูดจอดอยู่ตรงนี้ ก็เดินมาหาอับดบีตรงนี้นบีก็พาบดวีนี่ไปว่าดบคุณอยู่ไหนตัวแย่คุณอยู่ที่ไหนนบีก็ก็ก็พาไปพานาบีไปพอพานับีไปนบีถามว่ายาบบดบมันตายแล้วนะตัวแย่เนี่ตายแล้วนะนบีถามว่าบอบเอ๋ยกบตอบเป็นภาษาอับดับเลยนะฟะอาบะลิบิลิซานินอาหรับินฟัสชีหินมุบิน ตอบเป็นภาษาอาหรับชัดๆว่าลบไบกวาซาใดกะครับผมมาแล้วครับมุมัดนบีจะว่าย <fun c oughs> ังไงนบีถามถามไปตัวแย่ว่ามันตาบูดูคุณเนี่ยเคารพพักดีใครตัวแย่ตอบนะมัมฟิสมาอีอารชูหูฉันเคารพพักดีพระผู้อภิบาลที่บัลลังของเขาอยู่บนชั้นฟ้า พูดดังเป็นภาษาอาหรับอาหรับบาดวีคนได้ยินนบีก็ได้ยินสอ บ, บาคนอื่นได้ยินหมดไอตัวแย่นี่มันตอบว่าฟิลอาจุลตานุหูฉันเชื่ออัลลอฮ์ที่อำนาจของพระองค์อยู่บนหน้าแผ่นดินว่าฟิลบาฮิซาบีลูหูฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของอะไรนะเจ้าของทะเลว่าฟิลจันนติรามาตุนเชื่อว่าเอาอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของสวนสวรรค์ ซึ่งในสวรรค์มีแต่รหำมะมีแต่ของดีดีเมตตาวะฟินารีไอโกอบูหูแล้วก็จะอัลลอ์เป็นเจ้าของนรกเพราะนรกนั้นเป็นการลงโทษพอตอบอย่างนี้ทุกคนงงมือหมดเลยนี่ไอตัวดอบทมันพูดได้ยังไงเป็นภาษาอับนี่ไงมูอิจิศาตไงมันอาณาอาเป้าหมายใหญ่คือว่าฉันคือใครน บ, บีถามตัวดอบ รอกก็ตอบว่าอันตรรษูแลรอบบาลมีท่านเป็นรรษูนของอัลลอระผู้อาภิบาลแห่งสากลและจักรวาลว่าข้าตมินนบียีนและเป็นนาบีคนสุดท้ายก็จะอัฟละฮัมมันสอดักแต่ใครที่เชื่ อ, อย่างนี้เขาได้รับความสำเร็จว่าก็จะข้อบามังกัสระบัดใครที่ไม่เชื่อว่ามูฮัมมัดเป็นรรษูนเขาได้รับความพินาศอย่างย่อยยับ เพราะว่าจบเท่านั้นแหละอาต บ, บานีรับอิสลามเลยอัชฮะดลเลออิลาฮิลลอ์วะอันนมุฮัมมัดอัราะซูลุลลอห์เนงเนี่ยท่านการเชื่อมุฮัมมัดเป็นอัลลของอัลล์นี่มันยิ่งใหญ่นะแต่คนที่จะพูดคานี้ได้นี่ม่ใช่ไม่ใช่พูดกันง่ายๆเราอย่งคนตาแหน่งใหญ่ๆเนี่ยเป็นอบต อ, อบจ อ, อบสไม่มีทางพูดเรา เงินเดือนแสนแสนไม่พูดหรอกใช่ไหมละ่ะอย่างนี้เป็นต้นเอาเล่าให้ท่านที่น้องฟังฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเป็นนบีจริงและเป็นนบีคนสุดท้ายจริงแล้วก็คนที่เชื่อแบบนี้ปลอดภัยจากนรกแต่ต้องมีอามันติซอลแลด้วยเอาต่อมาอายาที่เท่าไหร่นะ93อายกูณละกาใบตุมมอุครุฟ เอาอยากูนาละกับใบตุม้มจุเครฟหรือให้ท่านมีบ้านที่ประดับประดาคาว่าจุเครฟเนี่ยท่านอิบนุอับบาสอธิบายว่าซาฮับแปลว่าทองฉะนั้นคนอาหรับเนี่ยพูดว่าฉันจะเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลบ้านของมุฮัมมัดต้องทำมาจากทองถึงจะเชื่อ นี่เห็นอย่างความรู้สึกอาติดาของคนกาเฟสเป็นอย่างนี้หมดทั้งโลกคนจะเป็นผู้นำจะเป็นตัวแทนของฉันต้องเป็นคนรวยลกัก บ, บ้านต้องทำมาจากทองถึงไม่ใช่ทองก็ต้องดีกว่าบ้านคนอื่นๆนี่เป็นความเชื่อของคนกาเฟสทั้งหมดทั่วโลกวันนี้ก็เหมือนการเชื่อแบบนี้อยู่อ่าทีนี้เขาขอร้องว่าคนที่จะเป็นนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเป็นวซูลของอัลลอ์เนี่ยนะ ต้องมีบ้านที่ทามาจากทองอาต่อมาเอาตอระกอฟิสมาหรือท่านขึ้นไปบนชั้นฟ้าอาลลอห์นี่กับนี่ก็อะไรนะเป็นการเตือนมืองกันอลัลลอ์บอกให้รู้ว่าขึ้นข้างบนนี่ได้ไหมได้มีความรู้เยอะนะคำว่าขึ้นบนชั้นฟ้าเนี่ย การขึ้นไปบนชั้นฟ้าเนี่ยต้องมีอะไรน ะ, ะต้องมีความรู้ในคุรอ่านพูดแล้ววันนี้จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยอันหนึ่งขึ้นโดยนั่งเครื่องบินไปสองนั่งอะไรนั่งจะรวดไปใช่ไหมพระคุรอ่านพูดไว้ตรกอฟิสสามารถขึ้นบนชั้นฟ้าแสดงว่าโอกาสขึ้นได้ไหมได้แต่มาจะบินขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่มันก็ต้องมีวิธีใช่ไหมนี่เป็นการ ให้ความรู้กับประชาชนเหมือนกันว่าข้างบนนี่นขึ้นได้ในคุอานอธิบายอีกขึ้นข้างบนเนี่ยอึดอัดทำไมอึดอัดเพราะอากาศน้อยยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงอากาศจรนนีุ้อานเล่าเองเลาเล่าให้ฟังเองนะครับเอาต่อมาวาลานุมีนาลิรกีกะหั ต, ตูนัสซิลาอัลเลนากิตาบันนักรออูว่าแลนุม่น่และเราจะไม่เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นนบีและเราจะไม่เชื่ออีกว่าการขึ้นของท่านว่าขึ้นไปบุนชานฟ้าจริงหรือไม่จริงนั้นเราจะไม่เชื่อจนกว่าท่านจะนําตูนัสซิลาอัลเลนากิตาบันนาเอาคัมำพิกุานเลื่มเนี้เรืม่มงกีถืออยู่เนี่ย ลงมานักโรอูฮูลงมาให้เราได้อ่านมันหมายความว่าขอร้องให้นบีหมัดนำคุณอ่านเป็นเล่มๆ ล, ลงมาจากอะไรนะจากชาน้าลงมาให้อ่านอัลลอ์ดูเขาขอกันสิขอกันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันมันมันมนีมน่มันการดูถูกอะ่ะเหยียดยามเยะ่ะเยอะ้เยอนบีด้วยเองสามารถปล่า เอากุรอ่านลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยมาเป็นเล่มๆ ม, มาให้เราอ่านอย่างงี้อัลลอฮฺว่เนื่อบชั้นฟ้ามีโรงพิมพ์มาเรียบร้อยหมดแล้วมึงนะความจริงอัลลอฮฺก็ทําได้ทําได้ไหมได้แต่ที่ไม่ทําเพราะอะไรเพราะว่ากุรุอ่านลงมาเป็นเรื่องๆทีละสองสามอายาเนี่ยเพื่อให้นบีได้จดจําเพื่อให้คนได้จดจําถ้าลงมาเป็นเล่มใครจะจําอ่ะลงมาพวดทีกันสามสิบสามสิบยุสอะไรเงี้ย ทานลงมาทีห้าอายะสิบอายะสิบห้าอายะนี้นบีจะได้จดจำสุรอาบะจะได้จดจำอัลกุนะลอ่านไปนะกุลซุบฮานะรบบีมุฮัมมัดเอย๋ยคนจงตอบเมื่อขอขอขอต้องเจ็ดแปดรายการอยากได้นั้นอยากได้นั้นถึงจะเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นราซูลอัลลอฮ์บอกให้นบีตอบว่างไง ซุบฮานารอบบีจงกล่าวเถิดมหาบริสุทธิ์ยิ่งแห่งพระผู้อาภิบาลของฉันฮัลกุนตะอิลลับาชาลลุรรัสูลฮัลกุนตุฉันไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์บาชารลุโมฮัมหมัดเป็นมนุษย์ แล้วก็มีตําแหน่งก็รอซูละเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เท่านั้นเองไม่ใช่คนวิเศษที่ไหนเนี่ยคือเข้าใจละเราพออัลลอฮ์ตอบอย่างนี้เข้าใจเลยโอ้โมฮัมหมัดเป็นคนธรรมดาแล้วก็ที่แตกต่างกับเราก็คือเป็นรอซูลเท่านั้นเองมาทําหน้าที่สอนศาสนาเท่านั้นและความรู้นี่มาจากไหน เราเรียนแล้วมาทิศได้แล้วความรู้นั่นมาจากอัลลอฮฺ سبحانه แลตอาลาฉะนั้นเรื่องเรียนเนี่ยมันเรื่องมันเรื่องใหญ่นะคนจะเรียนคนจะรู้เรื่องสุนนะของนบีต้องเรียนถ้าไม่เรียนนะถูกหลอกต้องต้องเรียนตลอดเวลาเรียนจนกว่าอะไรนะจะตายอ่าต้องเรียน อัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีนี่จนกว่าจะตายนะที น, นี้อายานี้แสดงให้เห็นว่าการให้บ้านของท่านนาบีทำด้วยทองนะถ้าไม่ใช่ทองก็ขอให้เป็นสีทองก็ยังดีในภาษาตับซอูรดูนะอูรดูบอกว่านะถึงไม่ใช่ทองก็ได้ แต่ให้ทําเป็นสีทองก็อย่างดีให้มองดูเหมือนก็สีทองนั่นบ้านนาบีนะแต่ทําได้ไมอลัลลอห์ไม่ให้ทําเป็นความคิดของคนรุ่นก่อนและปัจจุบันนี้ก็เช่นกันผู้น้ำต้องรวยนี่เป็นทับเสีภาษาอุนดูนะเอาต่อมาครับอลัลลอฮ์แจ้งว่ามนุษย์ไม่มีความสามารถทำอะไรได้นะครับรอซูเนี่ยไม่สามารถทาอะไรได้ ทำได้อย่างเดียวก็คือหนึ่งทำได้สีข้อนะหนึ่งมีอามานะมีอามานะสูงทำได้ลอล l a ให้ทำได้หนึ่งนบีต้องมีอะไรมีอามานะสองนบีต้องนำเอาศาสนามาอย่างอื่นไม่สามารถนำเอามาได้ข้อที่สามนาบีนำเอาความจริงมาเสนอข้อที่หนึ่งนำอามานะมีอามานะสูง สองมีดิยาณนะหมายถึงมีศาสนาอันที่สามนบีเป็นคนจริงจริงใจต่อศาสน า, าอิสลามข้อที่หํานำเอาหลักศาสนาจากอัลลอฮ์มาสอนแก่มนุษย์เท่านั้นมีอยู่สี่ข้อนำเอาเรื่องัาสรร ม, มาเรื่องอม า, ามานะมาเอาเรื่องความจริงมาเอาเรื่องหลักการมาจะไปทำบ้านให้เป็นทองเทิงนะั่นไม่ใช่หน้าที่ของนบี จะมีสวนอินทาลัมเป็นของนบีไม่ใช่หน้าที่นบีหน้าที่นบีมาสอนศาสนาอย่างเดียวใครที่เชื่อมูฮัมหมัดต้องการจะพบกับอัลลอ์หลังตายก็ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมหมัดสโลัลอะเลยยวะสัลลัมเอาต่อมาคำว่าวสุบฮาอัลลอฮเนี่ยสุบฮานัอบบีมหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่อัลลอ คำคำนี้เนี่ยนะให้เราพูดบ่อยๆสุบฮานารอบบีอัลลอ์สุบฮานารอบ บ, Allah, บ, บ, บีมหาบริสุทธิ์ยิ่งโอ้ผู้อาวุโของฉันเอ๋ยภาษานี้เป็นภาษาที่เพราะที่สุดนะครับเอาต่อมาอายะสุดท้ายว่ามามานานาสไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามมนุษย์ อายุมินนให้พวกเขาศรัทธาไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามมนุษย์นะครับที่จะให้พวกเขาศรัทธาอิจาอาหูมุลฮูดาเมื่อแนวทางที่ถูกต้องมาอย่างพวกเขาแล้วนี่ไงอัลลอฮ์มีมีองค์เดียว เชื่ออัลลอฮ์เชื่อมะลาอิกะเชื่อวันเตียมะเชื่อรอซูลเชื่อคัมภีร์อีมานเหล่านี้น่นเป็นอีหมานที่ถูกต้องที่สุดเมื่อทางนำอย่างนี้มาสอนแล้วไม่มีใครมายับยั้งที่จะให้มนุษย์ศรัทธาตามที่ท่านนบีสอนไม่มีอะไรมายับยั้งนะนี่อัลลอฮ์พูดเองนะอิลลัอังกอลูนอกจากพวกเขาจะกล่าวว่า อัลลอฮฺบะชาร์รราะสูละอัลลอฮฺทรงแต่งตั้งมนุษย์เป็นรซูลกันนั้นหรือนี่แหละข้อยับยั้งที่ไม่ให้มนุษย์ศรัทธาว่าอัลลอฮฺมีองค์เดียวก็คือไปแต่งตั้งมุฮัมมัดเป็นรซูลเลยไม่ยอมรับว่าอัลลอฮฺมีองค์เดียวไปเลือกมุฮัมมัดมาไงถ้าไม่เลือกมุฮัมมัด เอาใหญ่อีกเนี่ยเราจะอาไรเล่าให้ฟังว่าคนอารหรับหรวอคนปัจจุบันนี้ที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่ออิสลามเนี่ยเพราะเขามองที่มุฮัมมัดแต่วันนี้อย่าลืมนะคนเริ่มรับอิสลามมันเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรนะเพราะไปเนี่ยไปวิจัยอะไรแต่อะไรไปพบเห็นเยอะไปหมดเลยเป็นไปวิจัยวันนั้นนะไ อ, อ้อะไรนะ เดือนที่ก็าผาเนี่ยว่าพาจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเขาเอาเดือนมาวิเคราะห์มันมีรอยแตกโอ้เชื่อเชื่อเลยแต่ไปวิเคราะห์เรื่องนมาดเมื่อเข้าเวลานมาดทําให้หัวใจสงบสมองสงบทําให้ร่างกายทุกส่วนเนี่ยเป็นการาพักผ่อนเริ่มเข้าใจเริ่มรับอิสลามกัน<ม>เอาใจเอาวิจัย หลายๆเรื่องและยางยิ่งนี่นะตอนเดินเข้ามัสยิดเนี่ยเอาเท้าขวาเข้าก่อนนะตอนยื่นขาเข้าเนี่ยเป็นการอะไรทำให้ร่างกายเนี่ยพักผ่อนดีที่สุดมากเลยๆๆๆๆนี่เราไม่รู้นะฉะนั้นตอนเราเข้ามัสยิดเนี่ยเอาอะไรก็นนะเอาเท้าเข้าเอาเท้าขวาเข้ากับเท้าซ้ายเข้าไม่ต่างกันนะ <S <S <S 1> <S 1> พอเท้าขวาเข้าเนี่ยเป็นการพักผ่อนแล้ว เขาบอกสังเกตนะทำมืออย่างงี้เนี่ยทำมืออย่างงี้ก็บทำมืออย่างงี้ลองหายใจอ่ะหายใจก็ไม่เหมือนกันทำมืออย่างงี้นะหายใจคล่องถ้าหันทำอย่างงี้นะหายใจอึดอัดมีฟูดฟูดต้องทำอยอะสิทำนานๆหน่อยจะรู้ฉะนั้นเวลานั่งอัตยาเราเหมือนกันเนี่ยต้องนั่งท่านี้เลยแหละต้องเอาเท้าเนี่ยยัน ใหม่ๆเนี่ยเจ็บใหม่ๆเจ็บหน่อยแต่คนไม่เคยเนี่ยนะนั่นแหละเพื่อสุขภาพตัวเองเลยสมองสติปัญญานี่พักพรที่ดีที่สุดเลยอายุยาวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ถ้ารู้อย่างนี้ธรรมชาติมากันหมดลแล้วตอนนี้ยังยั ง, ยงไม่ให้รู้ให้ไ เ, เดาๆไปอย่างี้แหละอายุไปอย่างงี้แหละเชื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเชื่อมุฮัมมัดเปล่าอย่างงี้เป็นต้น ฉะน่้นวันนี้คนรับ伊斯兰มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเราพราะไปวิจัยน่ะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องวิจัยเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูนจบไหมจบให้ลุกขึ้นนมาทายุดลุกขึ้นเลยอย่านินทาก็อย่านินทาเพราะนี่เดี๋ยวจะรู้แหละนินทาคนเราเป็นยังไงจะเลิกกันหมดแหละพอวิจัยออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างไงข้อเสียหายเป็นยังอย่างนี้ว่าคนเป็นยังไงที่อัลลอฮ์ห้ามน่ะอย่าทําอย่างงี้ให้ทําอย่างงี้ ใช่ไหมเอาเท้าซ้ายเข้าห้องส้วมวิจัยออกมาแล้วเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังวันนี้เวลาหมดสุภาัลลอฮุมะวะบิฮามกอัชดัลลาอิลละอิลละอันตะอัสตฟิรุกวะตูลัสลามอาลัยกุมรอห์มตุลลอฮบรกตุ